ตอนที่สองมาดูตำนานของเรื่องที่เป็นตำนานหลีกจากมนมามีปริศได้บอกแต่ต้นแล้วว่ามนมนตะมันตรานี่เป็นคำสำคัญของพวกพรา ม, มาตัตเดิมในความหมายหลักเข้าหมายถึงพระเวทคือคำพีศักดิ์สิทธิ์ของพรามที่เรียกว่าไตรเพศเฉพาะอย่างยิ่งพระเวทที่สี่คืออัฐนพระเวท แล้วก็มาถึงคำคลังศักดิ์สิทธิ์ที่พวกรามพวกฤาษีเอามาไายมาเสกมาสาธยายแสดงอิทธิฤทธิปาฏิหารสาฐแช่งคนให้ตายหรือให้เป็นไปต่างๆบ้างชุบคนตายให้เป็นขึ้นมาบ้างสะกดคนสะกดสัตว์ให้อยู่ในบังคับให้เป็นไปต่างๆบ้างทีนี้พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นในบรรยากาศของสังคมที่รามเป็นใหญ่บางทีหรือบ่อยครั้งก็ต้องใช้คำของเขา แต่เราใช้คำ น, น, นั้นในความหมายแบบของเราทำนองว่าเป็นการใช้แบบเทียบเคียงหรือล้อคำล้อความอย่างคำว่ามนที่เราสวดเนี่ยเป็นพุทธมน์ก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างที่ได้เล่าเรื่องตัวอย่างให้ฟังมาแล้วนี่คือมน์ของพุทธไม่ใช่อย่างมน์ของพราหมณ์แล้วก็ให้สังเกตในหนังสือสวดมนฑ์รวมบทสวดมน์ที่นิยมใช้กันเป็นประจำ คือเจ็ดตำนานส2องตำนานรวมทั้งทำวัดเชา้าทำวัดค่ำด้วยนั้นถ้าตรวจค้นดูจะรู้ว่าคำว่ามนมีในชื่อหนังสือเท่านั้นแต่ในคำสวดหมดทั้งเล่มหนังสือนั้นไม่มีคำว่ามนเลยที่ว่านี้นอกจากว่าใครจะพิมพ์ให้แปลกพิเศษออกไปโดยเก็บเอาคาถามนคลังข้างนอกเข้ามาใส่รวมไว้ ถ้ามนไม่ใช่เป็นชื่อเรียกคำสวดของพุทธแล้วของพุทธจะเรียกว่าอะไรที่จริงนานมาแล้วก่อนมีหนังสือสวดมนต์ตั้งแต่ในพุทธกาลก็มีคำตรัสคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ต่อมาชาวพุทธนํามาสวดกันโดยใช้ในลักษณะที่พอเทียบได้ในบางแง่กับมนของพราหมณ์ขอให้ดูตัวอย่างชีวิตพระนี้อยู่กับธรรมชาติกลางป่าบนเขา ถึงพระจะขยันกวาดลานวัดจัดเก็บเซนาสนาสะอาดเรียบร้อยแต่ก็ยังมีโอกาสเจอะเจอกับสัตว์ร้ายได้มากพระจึงต้องมีจิตใจดีด้วยในพระไตรปิฎกวินัยปิฎกเล่มที่สองมีเรื่องเล่า ว, ว่าครั้งหนึ่งมีพระภิกษุถูกงูกัดถึงมรณภาพคราวนั้นพระพุทธเจ้าได้ตรัสแนะนำให้พระภิกษุแผ่เมตตาแก่ประดางูสีตรูล และขยายไปถึงสัตว์อื่นทั้งหลายทุกอย่างด้วยพุทธพจน์ที่ตรัสลราวนี้ซึ่งมีทั้งส่วนที่เป็นคาถาและเป็นที่ความร้อยแก้วเราก็เอามาสวดกันเรียกชื่อว่าคันธปริจเรื่องนี้มีในชาดกด้วยเรียกว่าคันธปริตชาตกะแต่ฉบับชัฏสังคีติพมา่าเรียกขันธชาตกะบ้างคันดะชาตกะบ้างและในพระสูตรก็มีอีก ทำไมจึงเรียกว่าปริตบาลีว่าปริตตาในพุทธพทธจน่ตรัสแนะนำครั้งนี้ก็มีคำว่าปริตตคือตอนที่แผ่เมตานั้นก็บอกกำกับไปด้วยว่ากะตาเมรักขากะตาเมปริตตาข้าพเจ้าได้ทำการรักษาข้าพเจ้าได้ทำการป้องกันนี่คือปริตตาหรือปริตแปลว่าป้องกัน การที่แผ่เมตตาและการที่นำมาสวดนี้ก็เพื่อเป็นการป้องกันนี่หละสาระหรือวัตถุประสงค์อยู่ที่นี่ก็จึงเรียกพุทธพจน์คำสอนคาถ า, าที่นำมาสวดอย่างนี้ว่าปริตตะเป็นไทยว่าปริสส่วนขันธะเป็นชื่อเฉพาะของคำสวดนี้ที่ว่าปริตตะหรือปริสแปลว่าป้องกันนั้น จะเห็นว่าเมื่อกี้มีคําว่ารักขาคือรักษาด้วยที่จริงคําที่มีความหมายเหมือนๆกันอยู่ในชุดเดียวกันนี้มีหลายคําเอามาใช้ได้ทั้งนั้นที่ควรรู้คือรักขาอารักษาปริตตาตาณะปริตตานะปริตานะรตานะตานะแปลว่าคุ้มครองป้องกันรักษาคําว่าตานะแปลงเป็นตํานานก็ได้ ที่นี้ในอดีตการนานมานั้นท่านผู้รู้ก็ได้เลือกพุทธพจน์คำสอนในที่ต่างๆเป็นพระสูตรบ้างเป็นชาดกบ้างซึ่งมีลักษณะที่เป็นการรักษาคุ้มครองป้องกันตลอดจนช่วยให้ปลอดโรคปลอดภัยอย่างนี้เอามาจัดเป็นปริตชื่อนั้นๆเพิ่มขึ้นจนมีมากหลายปริศบางปริตมีตํานานเป็นเรื่องสำคัญทีเดียวตัวคาสอนเป็นพระสูตรมีในพระไตรปิฎก แต่เรื่องที่เล่ามาในอัธกถาบอกว่าพระพุทธเจ้าได้เสด็จไปโปรโดด้วยตามเรื่องว่าคราวหนึ่งเวสาลีเมืองหลวงของแคว้นวัชีที่เคยมั่งคั่งรุ่งเรืองได้เกิดทุกภิกขภัยข้าวยากหมากแพงและอาหิวาตากโรคระบาดคนล้มตายมากมายกลิ่นศบเห็นคลุ้งทั่วไปหมดพวกอมนุษย์ก็เข้ามาวุ่นวายในที่สุด เจ้าลิาวีได้ขออัญเชิญพระพุทธเจ้าสเสด็จจากพระนครราชครึ่ข้ามฝั่งแม่น้ำคงคามาโปรดชาวเมืองเวสาลีพอพระพุทธเจ้าสเสด็จถึงเหยียบพระบาทลงบนฝั่งแม่พระคงคาฝากเมืองเวสาลีฝนโบกราพันสระก็ตกลงมาเนืองนองพัดพาเอาศพไปกับน้ำหมดสิ้นบ้านเมืองก็สะอาดหมดจด เมื่อเสด็จเข้าเมืองแล้วพระพุทธเจ้าได้โปรดให้พระอานนท์เรียนรับอารัตนสูตรจากพระองค์และถือบาตรของพระพุทธเจ้าใส่น้ำเดินสวดรัตนสูตรนั้นเป็นประลิ์พร้อมกับระพรมน้ำไปทั่วทั้งเมืองชาวเมืองเวสาลีก็พ้นโรคพ้นภยัยคืนสู่ความสงบสุขนี่คือรัตนสูตรได้มาเป็นรัตนปริศ ในทํานองนี้อาจารย์ปางก่อนผู้พหูสูตรมีความรู้มองไปเห็นได้ทั่วทราบอยู่ว่าพระสูตรว่าด้วยโพชงเจ็ดนั้นพระพุทธเจ้าตรัสยกย่องว่าสําคัญมากและเมื่อพระองค์และพระมหาสาวกสําคัญบางท่านอาพาธได้สดับชื่นชมโพชงเจ็ดนั้นก็ได้หายจากอาพาธท่านก็เอาพระสูตรที่ว่าด้วยโพชงมาจัดใช้เป็นโพชังคาปริศ เพื่อสวดให้คนเจ็บไข้ได้สดับจะได้หายโรคภัยดังนี้เป็นต้นจากการที่โบราณอาจารย์ได้เลือกพระสูตรพุทธพจน์ชาดกมาใช้เป็นปริศและนิยมสวดสืบกันมาจึงมีรายชื่อปริศต่างๆปรากฏอยู่ในหลายคำพีเท่าที่พบบ่อยเป็นรายชื่อห้าปริษแต่มีสองคำพีที่พบว่าบอกไว้มากที่สุด8ปริศ ได้แก่อาตานาติยาปริศอิสิกิลิปริศทัชัคคปริตโพชังคะปริศขันธปริศโมระปริศเมตาปริตและรัตนาปริศนอกจากนี้ได้พบอังคุลิมาลปริศในมิลินทปัญหาฉบับอักษรพม่าและก็พบในมิลินทปัญหาฉบับอักษรไทยว่าท่านเรียกรัตนาปริศเป็นสุวัติปริศ ริททั้งหลายนี่แหละคือบทสวดของพุทธิกชนที่มีลักษณะซึ่งปรากฏให้เห็นเป็นว่าคล้ายกับมนของพรามเช่นบางทีท่านเรียกโมรปริทว่าเป็นพุทธมนตแต่ที่จริงต่างกันมากจะต้องตรหนกรู้ไวอย่างน้อยพึงเห็นความแตกต่างที่สำคัญคือหนึ่งมนหรือมนตะแบบของพราม เป็นเรื่องของการแช่งด่าทำร้ายข่มขีกำจัดผู้อื่นบ้างสะกดบังคับเพื่อเอาจากเขาบ้างเป็นการแสดงออกของโลภะโทสะโมหะแต่ประรดนี้เป็นการคุ้มครองปกปักรักษาตนและหมู่ชนให้ปลอดโรคพ้นภัยได้ความเกษมสวัสดีด้วยใจมีเมตตาการุณาแก่ทุกฝ่ายตั้งไว้นำหน้า2 มนหรือมนตะแบบเดิมอย่างพรามเป็นการใช้การอ้างอำนาจของเทพเจ้าและอิทธิฤทธิ์ความยิ่งใหญ่ต่างๆมาบันดาลมากำราบให้ได้ให้สำเร็จตามใจตัวอย่างไสยศาสตร์ต่ป ร, ริ์ที่เรียกว่าเป็นพุทธมนี้ใช้โดยอ้างเอาสัตว์เอาธรรมะเอาคุณความดีที่ตนมีที่ประจักษ์แก่ตนเป็นพลังอานาจสา การสวดการไร้มน์มนตะอย่างพรามเป็นการแสดงออกของความรุนแรงตามอำนาจของกิเลสเช่นโลภโกรธปริษยาที่เหิมโหมระดมราวออกมาเท่ากับยิ่งพัฒนากิเลสแต่การสวดสาธยายปริศที่เป็นพุทธมนต์นี้มากับการตั้งเจตนาในจิตสำนึกที่จะฝึกตนให้เจริญในธรรมเป็นการปฏิบัติในศิกขาคือเป็นส่วนของการศึกษา ที่นิยมเรียกกันว่าปฏิบัติธรรมโดยพัฒนาจิตใจให้มีเมตตาเป็นต้นด้วยความรู้เข้าใจที่เป็นปัญญา